จึงควรใช้และปลูกฝังให้เกิดมีมากขึ้นโดยลำดับเมื่อชันทะเกิดขึ้นก็ย่อมเป็นการปิดกั้นหรือป้องกันและกำจัดตัณหาไปในตัวด้วยท่านแสดงหลักการทั่วไปไว้ว่าตัณหาเป็นสิ่งที่พึงละส่วนชันทะเป็นกรณียะคือสิ่งที่พึงกระทำอย่างไรก็ตาม อาจพูดอีกแนวหนึ่งก็ได้ว่าทั้งตัณหาและฉันทะเป็นสิ่งที่พึงละเสีทั้งสองอย่างแต่การละนั้นต่างกันดังที่ท่านขยายความไว้จับสาระได้ว่าตัณหาเกิดที่ไหนควรละเสีที่นั่นหรือละหรือกาจัดเสียณจุดที่มันเกิดขึ้นส่วนฉันทะท่านเห้ละด้วยการทำให้สาเร็จตามฉันทะนั้น คือละด้วยการทำตามฉันท่านั้นจนสาเร็จผลทำให้ฉันท่านั้นหมดไปเองหรือไม่ต้องมีฉันทะานั้นอีกต่อไปพูดอีกอย่างหนึ่งว่าตัญหาเป็นความต้องการชนิดที่ควรดับหรือละทิ้งไปเสียดุยทันทีและถ่ายเดียวไม่ต้องเก็บเอาไว้ใช้อะไรต่อไปส่วนฉันท์ทเป็นความต้องการชนิดที่ควรทาตาม จนสำเร็จหมดความต้องการนั้นไปเองพูดสั้นๆว่าตัญหาละด้วยการสลาดทิ้งฉันทะละด้วยการทาให้สาเร็จการละฉันทะด้วยการทาให้สําเร็จซึ่งจะเรียกว่าการละฉันทะด้วยฉันทะคือเอาฉันทะละฉันทะหรือทำให้ฉันทะละตัวมันเองนี้มีเรื่องมาในบาลี ขอนำมาลงไว้เพื่อให้พิจารณาเห็นชัดเจนด้วยตนเองเรื่องนี้เป็นคําสนทนาถามตอบปัญหาระหว่างพรามคนหนึ่งกับพระอานน์พรามถามว่าท่านพระอานน์ผู้เจริญบุคคลอยู่พระพุทธโรมจันท ร, ร์ในพระสมณโคดมเพื่อประโยชน์อะไรพระอานน์ตอบว่าเพื่อละฉันทะ มีมรรคามีปฏิปทาเพื่อละชันทะนั้นไหมมีสิท่านมรรคาปฏิปทาเพื่อละชันทะนั้นเป็นชไหนภิกษุเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยชันทะสมาธิและประธานสังขารเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิจิตตะสมาธิวิมังสาสมาธิและประธานสังขารนิลาพราม คือมรรคคือปฏิปทาเพื่อละชันทะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นชันทะที่มีอยู่ก็ยังคงมีอยู่นะสิไม่ใช่ไม่มีและข้อที่บุคคลจากละชันทะด้วยชันทะนั่นเองย่อมมีชชยฐานะที่จะเป็นไปได้พระอนุนตอบว่าถ้าอย่างนั้นเรจาจักย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านเห็นควรอย่างไร กออนน็นี่เนี่ยพราหมณ์ท่านเข้าใจว่าอย่างไรก่อนนี้ท่านได้มีชันท่าในเรื่องว่ารอจักไปวัดเมื่อท่านไปถึงวัดแล้วชันท่เพื่อการนั้นก็สงบระงับไปใช่ไหมตอบว่าใช่อย่างนั้นก่อนนี้ท่านได้มีความเพียรได้มีจิตใจจดจอ่อคือจิตตะได้มีปัญญาไตรตรอง คือวิมังสาในเรื่องว่าเรจาจะไปวัดเมื่อท่านไปถึงวัดแล้วความเพียรจิตใจจดจอ่อปัญญาตรายตรองคือวิริยะจิตตะวิมังสาเพื่อการนั้นก็สงบระงับไปใช่ไหมตอบว่าใช่อย่างนั้นฉันนั้นเหมือนกันแลท่านพราหมณ์ภิกษุใดเป็นพระอรหรันตขีณาศพฉันทะเพื่อการบรรลุอรหรันต ที่ภิกษุนั้นเคยมีในการก่อนเมื่อเธอบรรลุอรหัตแล้วฉันทะเพื่อการนั้นก็สงบระงับไปวิริยะเพื่อการบรรลุอรหัตจิตตะเพื่อการบรรลุอรหัตวิมังสาเพื่อการบรรลุอรหัตที่ภิกษุนั้นเคยมีในการก่อนเมื่อเธอบรรลุอรหัตแล้ววิริยะจิตตะวิมังสาเพื่อการนั้นก็สงบระงับไป เป็นคำปลาจากสังยุตนิกายมหาวารวักโดยตัดข้อความซ้ำๆออกคำว่าวัดบาลีว่าอารามะอ่านแบบไทยว่าอารามจะแปลว่าสวนก็ได้ในที่นี้ปลายอย่างให้ฟังกันง่ายๆฉันทาในข้อความว่าเพื่อละฉันทานี้คัมภีรสารัตถะกาสินี อธากธาแห่งสังยุตตานิยว่าหมายถึงตันหาฉันทะคือตัวตันหานั่นเองถ้าถือตามนี้ก็ต้องหมายความว่าประอานนท์ตอบว่าประพฤติพรหมจรรย์เพื่อล่าตันหาและที่ท่านอธิบายต่อไปว่าใช้ฉันทะละฉันทะก็ต้องหมายความว่าใช้กุศลฉันทะในอิทธิบาทมาละตันหาฉันทะ แต่คําตอบของพระอานุนปรากฏอยู่ชัดแจ้งว่าทั้งฉันทะที่ให้ทาการและฉันทะที่สงบระงับไปก็คือฉันทะในอิทิบาทอย่างเดียวกันและฉันทะในอิทิบาทนั้นก็เป็นที่ยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นกาตุกการมยตากุโสรชันทะตามคาอธิบายของพระอนุ์จึงได้ความหมายว่า ละกุศลชันทะซิด้วยการทำให้สำเร็จผลตามกุศลชันทะนั่นเองแต่ถ้ายัางยืนยันความหมายของชันทะคำแรกว่าเป็นตัญหาตามอั ธ, ธกถาก็ต้องให้เรื่องยุติลงว่าเป็นการยักเยื้องเล่นคำพูดคือเริ่มคำตอบด้วยชันทะที่เป็นตัญหาแต่อธิบายด้วยชันทะที่เป็นกุศลเป็นกาตุกกรร ม, มยตา แต่ไม่ว่าจะถือความหมายของฉันทะในคำตอบประโยคแรกนั้นว่าอย่างไรก็ตามก็ปล่อยผ่านไปได้เพราะข้อความในท่อนอธิบายต่อไปก็เพียงพออยู่แล้วสำหรับอ้างเพื่อยืนยันหลักการที่เขียนไว้ข้างต้นถ้ารังเกยียจคำว่าละสำหรับฉันทะก็อาจพูดว่าฉันทะควรระ ง, งับเสียด้วยการทาให้สาเร็จ